บทที่150ทุกคนใจหายวูบตกตะลึงกันไปชั่วขณะจิตรบพินไพรวันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังมีสติพอที่จะคิดเขาไม่ได้คิดอื่นใดทั้งสิน้นนอกจากคิดว่าสีหน้าอาการของตาพรานเท่าลูกน้องมือขวาขนาดที่บอกข่าวร้ายขีดสุดนี้ดูช่างปกติธรรมดาเสือเหลือเกินไม่ได้วันวิตกเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลย อันเป็นตรงข้ามกับประโยคถ้อยคำที่ฟังดูแล้วแทบทำให้ช็อกโดยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นระพินจ้องหน้าบุญคำคำเม็งตาเท่าแลเห็นสายตาของนายเช่นนั้นก็ไม่พูดอะไรเหมือนกันเดินกลับไปรื้อคนอะไรที่ย่ามส่วนตัวของแกอย่างใจเย็นจังหวะนี้เองนายจ้างทุกคนจึงหันขวับมาดูระพินเป็นตาเดียวกันระินนั่นตาเท่าแกทาอะไร ไปหาคำพีมาอ่านสวนส่งวิญญาณให้สองคนนี่หรือไงมาเรียพูดลั่นออกมาด้วยเสียงตะโกนพรานใหญ่ทำมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนสงบปากคำไว้ทำกลางความมึนงงที่ยังไม่อาจภายเหตุการณ์ได้ถูกประมาณอึดใจใหญ่ๆบุญคำก็งัดห่อใบบัวแห้งเก่าคร่ำคราออกมาแก้ออกร้องสั่งให้จันเอาน้ำและกระบอกพลาสติกมาให้จัดแจงริมน้าลงไปในกระบอกบรรจุเทผงที่บดละเอียดสีเทา ซึ่งคออยู่ในใบบัวนั้นลงไปองนิ้วจุ่มกวนหน้าตาเฉยท่ามกลางการยืนจ้องมองของทุกคนในลักษณะตะลึงนิ่งอยู่เช่นเดิมแล้วเดินมาที่สางปาเป็นคนแรกช้อนต้นคอให้แงหน้าเงยขึ้นเฮ้ย hey, ไอ้สางปาเองน่าไม่ใช่หมอวิเศษคนเดียวในโลกนี้หรอกวะค่ะเขาเป็นหมอวิเศษอย่างเองเหมือนกันเพียงแต่คนละสาขาว่ะใครโดนพิษสัตว์ต้องพึ่งเอง แต่ถ้าใครจะเป็นตะคริวตายหรือเจอยาสั่งเขาให้ต้องพึ่งไอคำว่าเพราะฉะนั้นเองก็ไอเซย อ, อย่าเพิ่งเสือกหนีตายไปซะก่อนปล่อยให้ข้ากับไอพวกที่เหลือต้องแบกของหนักขึ้นไปอีกละแกพูดบนหัวเราะและจัดการกรอกเทยาผงละลายน้านั้นเข้าไปในปากของสางปลาจนสำลักตาเลือกพอกรอกยาเสร็จอย่างง่าย ก็ปล่อยหัวสางปลาให้ลนตึงลงกับพื้นตามเดิมเดินไปกรอกยาที่ขยักเหลือไว้ครึ่งหนึ่งให้เสยในลักษณะอาการอย่างเดียวกันอีกคนหนึ่งพอเสร็จสั บ, สบก็ถอยมายืนปัดมือเก็บหอยาเข้าถุงย่ามตามเดิมบุญคำนั่นยาอะไรอะแล้วมันจะช่วยสองคนได้ดสักแค่ไหนหมอดารินเพิ่งจะหลุดปากร้องออกมาได้เป็นคาแรกด้วยความแปลกใจยิ่งบุญคายิ้มเห็นเหงือก ทุกสายตาจับนิ่งอยู่ที่แกเป็นเป้าหมายเดียวกันสลับกับการแลไปยังคนอาการหนักทั้งสองซึ่งบัตรนี้ยังงอกององขิงอยู่กับพื้นบุญคำก็สิมีครูเหมือนกันนายหญิงครูพ่อหรือพ่อครูของบุญคำเองหวานประเภทร้อนแรงสองสามชนิดผสมกดีสัตว์สองสาอย่างตากลางแดดตอนเที่ยงของเดือนเมษายน จนครบเดือนแล้วปนให้เป็นผงละลายกันน้ำกรอกปากคนที่กำลังเป็นตะคริวหรือกำลังจะแข็งตายเพราะความหนาวฮะไม่เกินสิบนาทีเท่านั้นแหละนายหญิงไอ้คนนั้นจะลุกขึ้นเต้นเราก็กินทานไฟเมื่อออกท่วมตัวเส้นสายยืดหมดแต่ถ้าคนธรรมดากินเข้าไปจิบเดียวก็ร้อนตับแตกตาย เหล่าฝรั่งแรงแรงหหนึงก็ยังไม่แรงเท่ายาวิเศษของบุญคําขนาด น, นี้พ่อได้รับมาจากปู่ปู่ก็ได้ตำรับนี่มาจากครูบาอาจารย์ต่อๆกันขึ้นไปเรียกยาตำรับนี่ว่ายาไฟประไลยกันทุกคนลืมตาโพร่งขึ้นมาด้วยอาการตื่นเต้นยินดีเหลือที่จะกล่าวแต่ก็ยังไม่อยากจะเชื่อน้ำมนต์ตาพรานเท่านักฮึจริงเหรอบุญคํา ใช้ยันถามลั่นอย่างไรก็ตามทั้งหมดต่างก็มีสีหน้าดีขึ้นทันทีเฮิน์น่ารับรองเอาหัวเป็นประกันเลยนายทหารขอยจับเวลาไว้เถอะบุญคำให้ไม่เกินสิบนาทีแล้วดูสิว่าไอ้สางป้ากับไอ้เซยจะลุกขึ้นมาได้ไหมตอนนี้นะเราไม่ต้องไปช่วยมันอย่างอื่นให้เสียเวลาหรอกแค่รอคอยให้ยาแพริบเดียวเดียวเท่านั้น มันจะลุกขึ้นมาแบกของเดินฝ่าทุ่งลูกเห็บนี่ไปได้สบายกว่าพวกเราซะอีกแต่ถ้าถึงเขตร้อนเมื่อไรไอ้สองคนนี่เดินแก้ผ้าทงทงหรือกระโดดลงไปแช่น้ำบุญคำไม่รับรองนะว่าแล้วแกก็หัวเรหาะฮ่าๆอีกจะเป็นคำพูดรับรองที่เชื่อได้แค่ไหนก็ตามแต่บรรยากาศอันเข้าขั้นวิกฤตในความรู้สึกของทุกคน ก็เริ่มจะคลี่คลายไปได้ในทันทีนั้นต่างโล่งใจไปได้กว่าครึ่งค้อและรอคอยดูผลด้วยความตั้งอกตั้งใจทุกคนมาเรียมไม่ยอมห่างคนของหลอนนั่งประคองบีบนวดตามตัวให้สางปาด้วยสีหน้าอันเป็นทุกข์กังวลและพร่ำพูดเป็นภาษาพม่ากักบไอ้ลูกชายผู้สื่อสัตว์เหมือนสุนัขของหลอนตลอดเวลาสุนดาริน ความที่เป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยตนเองอดไม่ได้ที่จะเข้าให้ถึงความจริงลวนจับตาสังเกตดูอาการของสางปลากับเสืออย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมองไปทางบุญคำอย่างฉงนอัศจรรย์ใจเหลือที่จะกล่าวถูกสำหรับเชือฐานนั้นมองหน้าพรานใหญ่เหมือนจะถามระพินกระซิบบอกว่าอดใจรอดูผลตามที่แกว่าสักครู่เถอะครับเพราะถึงยังไงเราก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่น มันจะเป็นไปได้หรือล่าพิงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะไม่เคยรู้มาก่อนแต่บุญคานะํะมีอะไรดีๆอยู่ในตัวไม่น้อยทีเดียวนะครับหมอดารินเรียกบุญคาให้เข้ามาใกล้ในขณะที่หลอนซุดตัวลงจับร่างกายอันแทบจะไม่มีอุณหภูมิเหลืออยู่เลยของเสยนี่บุญคจยาของบุญคานะ่ะมันออกฤทธิ์ไปในทางให้ความร้อนเหรหลอนถามอย่างกังวลพยายามจะใช้ภาษาพูด เพื่อทำความเข้าใจกับตาเท่าให้ได้ไง่ายๆระหว่างคนมีดีกรีทางเอ็มดีอย่างหล่อนกับหมอป่าผู้เชี่ยวชาญทางสมุนไพรยอย่างบุญคำใช่แล้วนายหญิงมันเป็นยาร้อนร้อนยังไงอะบุญคำดารินถามอย่างยากเย็นพยายามสรรหาคำพูดร้อนมากๆนะมันไม่กลายเป็นพิษก็ไปกัดกระเพาะลำไส้ของคนกินพังไปหมดหรอกเหรอบุญคาทาหน้าพิกล เอามือเกาหัวแล้วยิ้มแห่งๆบุญคำก็บอกนายหญิงไม่ถูกเหมือนกันนายหญิงเป็นหมอสมัยใหม่เป็นหมอฝรั่งบุญคำเป็นหมอทางสมุนไพรก็ไม่รู้จะอธิบายกับนายหญิงยังไงมันไม่ได้ร้อนอย่างน้ำกรดตรอกนะนายหญิงมันร้อนอยู่ในตัวของมันเองมันจะซึมไปตามเส้นเลือดช่วยปลุกเส้นสายที่จับแข็งเพราะความหนาวเย็น หรือพระตะคริวกินให้ย่อนคลายลงทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดลมที่เดินไม่คล่องก็จะแล่นชิวแล้วก็ขับเงื่อร้ายให้ออกมาเหมือนอยู่ในเตาอบถ้าไอ้สองคนนี้ไม่มีอาการอย่างอื่นนอกจากหนาวจนแข็งยาของบุญคำก็จะช่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ยาของบุญคำขนาดนี้นะ่ะรักษาโรคได้อีกหลายอย่าง ช่วยขับเลือดไร้ให้ผู้หญิงหลังคลอดก็ได้กินให้เป็นยาแทงลูกก็ได้แต่ต้องกินให้ถูกส่วนถ้าผิดส่วนก็ตายดารินเม้มริมฝีปากชายันก็ย่อนตัวลงใกล้ๆกระซิบว่ามีทางจะเป็นไปได้ไหมน้อยอืมก็น่าคิดทีเดียวละชยันถ้าหากว่าตัวยามีคุณสมบัติได้อย่างที่บุญคำอธิบายตามระษาของแกมี ปกติแล้วอาการของส่างปากระเซยที่เกิดขึ้นการช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราก็คือให้ความอบอุ่นแก่คนป่วยเท่านั้นซึ่งมันวางรากฐานอยู่บนหลักเกณฑ์เดียวกันนั่นเองผิดกันแต่เครื่องมือที่จะใช้เท่านั้นเราต้องการบรันดีแรงๆไฟแบบเตาอบหรือเตาผิงและการนวดให้ตะคริวคลายตัวออกจากกล้ามเนื้อแต่ยาของบุญคนะําน่ะเป็นยาที่เบ็ดเสร็จอยู่ในตัวเอง เพียงแค่ตัวยาซึมไปตามเส้นเลือดเท่านั้นแล้วหล่อนก็หันไปทางบุญคานี่บุญคำสมมุตินะว่าทั้งสองนี่หายขึ้นมาได้ยาจะออกฤทธิ์อยู่นานสักเท่าไหร่เห็นบุญคาบอกว่าถ้าอากาศอบอุ่นกว่านี้ก็จะเกิดอาการร้อนขึ้นมาไม่ใช่เหรอนายหญิงอาการของไอ้สองคนนี่มันหนักมากบุญคำเลยกะให้ยาพอสมกับอาการของมัน มันหายลุกขึ้นมาเดินได้แล้วยาก็คงอยู่ในตัวมันอีกสักห้าหกชั่วโมงถ้าไม่มันไม่รู้สึกหนาวเลยถ้ายังเดินอยู่ในเขตหนาวอย่างนี้แต่ถ้าเราผ่านเข้าไปถึงเขตอากาศปกติธรรมดาก่อนหน้าห้าหกชั่วโมงนี้มันก็จะร้อนรุ่มอยู่พักหนึงละจนกว่าจะหมดฤทธิ์ตามเวลาของมันแต่ก็คงไม่ถึงก็เป็นอันตรายอะไรแค่เพลียหมดแรงไประยะหนึ่งเท่านั้น ฟังคำอธิบายของแกแล้วทุกคนก็เริ่มเลื่อมใสสศรัท ธ, ธาขึ้นเชษฐายิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่หันมาเห็นอา ก, การหนักของส่างปาและสื่ออืมมียากแก้หนาวได้ดีแบบนี้ไม่เห็นบุญคำบอกเล่าให้รู้บ้างเลยิตเงียบทีเดียวพวกเราผ่านความหนาวแทบแย่กันมาตลอดแล้วทำไมบุญคำถึงไม่เอายาขนาด น, นี้ให้กินมั่งจะได้อุ่นสบายไม่ต้องทรมานอยู่ถึงบุญคาเองวะเฮ้ ฉันเคยเห็นหนาวจนตัวเขียวบ่อยๆก็ไม่เห็นงัดเอาอยาเนี่ยออกมาช่วยตัวเองเลยสักครั้งบุญคำเห็นว่ายังไม่จาเป็นสินด้ก็เลยไม่อยากให้ใครใช้เอาไว้จาเป็นมากๆจนถึงขั้นทนไม่ไหวซะก่อนค่อยแก้ไขกันท่านหนาวพอทนได้เราก็ทนกันไปก่อนหนทางข้างหน้ามันยังมีอีกไกลยาขนาดนี้ของบุญคำก็มีไม่มากนัก ขืนใช้กันโดยไม่จำเป็นมันก็จะหมดซะก่อนเกิดจำเป็นขึ้นมาเราก็แย่เอาว่าพวกเจ้านายสบายใจได้ก็แล้วกันว่าจะไม่มีใครในพวกเราหนาวจนตายไม่ว่าเราจะเดินไปในที่ที่หนาวเย็นสักแค่ไหนบุญคำว่าเราต้องพบแน่ๆในขนทางข้างหน้าแกบอกอย่างภาคภูมิใจขณะเดียวกันก็ทำตัวหดสันสยิว ด, ด้วยความหนาวเย็นชนิด เข้าถึงกระดูกจากการเฝ้าสำรวจดูอาการของคนป่วยหนักทั้งสองและคอยจับเวลาอยู่ทั้งคณะสังเกตเห็นสางปากับเสยเริ่มจะหายใจทีเร็วขึ้นตามเวลาที่เข็มวินาทีกระดิกผ่านไปร่างกายอันซีดเซียวก็เริ่มปรากฏสีเลือดขึ้นทีละน้อยนิ้วที่เกรง็งหงิกงอค้างค่อยๆ ค, คลายขยับเคลื่อนไหวได้เป็นลาดับ7นาทีเท่านั้น ด้วยอำนาจยาชื่อหน้ากลัวของบุญคำทั้งสางปาและเสยผู้เปรียบเสมือนคนตายไปแล้วก็ขยับตัวโงหัวขึ้นมาด้วยตนเองมารีร้องลั่นดีใจจนน้ำตาไหลผูเข้ากอดคนของหล่อนไว้แน่นในขณะที่พวกพรานพื้นเมืองคนอื่นๆก็ช่วยกันเข้ามาประคองเสยพูดกันแซดด้วยความยินดีจนฟังไม่ได้สักดารินกชยยันเองก็แทบจะกระโดด เชิดทาสูตรลมหายใจลึกกรากเข้ามาโอบกอดบุญคำไว้แล้วหันไปยิ้มกับพรานใหญ่พูดชั้นๆออกมาแต่เพียงว่าให้มันได้อย่างงี้สิพวกเราใ น, นรกรสวรรค์ชั้นไหนๆเราก็ต้องพิชิตถึงระหว่างที่ชุลมุนกันอยู่ด้วยความปิติยินดีนั้นมาริอาฮอฟมันก็พระจากคนของหลอนโถงเข้ากอดตาเท้าบุญคาเต็มรักพร้อมกับจูบฟอดใหญ่ ที่แก้มอันตอบเหี่ยวของแกเป็นการแสดงความขอบใจจากใจจริงครั้งแรกหล่อนจะพูดยังไงนะบุญคำหูอื้อไม่ได้ยินละเพราะมวยืนตัวแข็งหน้าแดงกำาไปหมดรู้สึกร้อนชาขึ้นมาทั้งตัวจากเส้นผมถึงปลายเท้าแทบจะงายพลึงลงไปนอนดูฟ้าแกตกใจแทบชอ็อกเพราะถูกแม่มนคนสวยหอมเอาอย่างไม่เคยคิดฝันมาก่อน คนหนาวจนแข็งทื่อเกือบตายไปแล้วทั้งสองคนบัดนี้ฟื้นสภาพขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจตรงตามที่บุญคําบอกไว้ก่อนล่วงหน้าทุกอย่างทถามกลางการรุมล้อมถามอาการจากพักพวกทุกคนและ ท, ทั้งที่อากาศหนาวเย็นตามพื้นเต็มไปได้วยกรวดน้ําแข็งทั่วไปในขณะนี้แต่ทั้งเสืยและสางปาก็มีเหงื่อผุดซึมความร้อนในร่างกายปรากฏได้ชัดจากการสัมผัส ถ, ถูกต้องเนื้อตัว อุณภูมิตามผิวหนังเรากับคนที่เพิ่งออกมาจากเตาอบและเรียกหาน้ากินกันคนละหลายหลายอึกบาดเท่าทำยังไงเมื่อกี้ส่างปลาหนาวก็ไปถึงหัวใจแต่เดี๋ยวนี้ร้อนเหมือนอยู่ในเตาไฟเจ้าต้องสูพูดไม่รู้สึกยินดียินนในการที่ตนเองรอดชีวิตอันกำลังจะตายอย่างทรมานขึ้นมาได้เออ ก็มีดีเหมือนกันสิวะไอสาง้าตาใครตามันสิวะใช่วะเองไอขยินหรือไอแงซายจะวิเศษไปซะหมดเมื่อไหร่เผาไอผีดิบมันไรมอดไหม <c oughs> เป็นขี้เท้าไปได้ไม่ใช่ฝีมือบุญคำแล้ววะฮิโ <c> ธ <oughs> <c oughs> ตาท้าโวขมงโฉงเฉงกลัวไปกับอาการหัวเราะชอบ อ, อกชอบใจแล้วเดินเข้ามาลูบหัวเสย ผู้ลุกขึ้นดักตัวสลัดแขนขาอย่างเมื่อยขบเสยยกมือไหว้ปลุกปลุกเชษากระดารินให้สอบถามความรู้สึกของทั้งสองดูก็ได้รับคำตอบว่าสบายดีที่สุดแล้วและที่แปลกประหลาดยิ่งก็คือทั้งสองไม่รู้สึกถึงอากาศที่กำลังหนาวเย็นเลยจนนิดเดียวกลับค่อนข้างร้อนอบอ้าวภายในซะด้วยซ้าตาของคนทั้งคู่แดงกำ่ำราวกับคนดื่มเหล้าจัดในขณะที่คนอื่น ล้วนอยู่ในสภาพหนาวสั่นกันทุกคนดาริงจุปากเบาๆพร้อมกับโครงศีรษะอยู่ไปมาพูด ก, กับพี่ชายว่าดูเธอคะพี่ใหญ่อย่าว่าแต่สิ่งต่างๆที่เราไปเชิญมาแล้วมันจะเต็มไปด้วยความแปลกพิสดารมหัศจรรย์พันลึกจนเกินเชื่อเลยแม้กระทั่งพวกเราเองเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่มีอะไรแปลกนะ่าอัศจรรย์ทั้งสิ้นนี่น้อยงงไปหมดเลยนะคะ เช่ยาหัวเราะอย่างชื่นบานเอาเถอหนาน้อยอย่าไปคิดอัศจรรย์ใจอะไรอยู่เลยก็นึกซะว่าพวกเราทั้ง12ชีวิตที่มาร่วมชะตากรรมเดียวกันนี่แต่ละคนนะสวรรค์ก็คัดมาเป็นพิเศษแล้วทั้งนั้นมีริศวิทยากันไปคนละอย่างถ้าจะตั้งชื่อกันอย่างเรื่องจีนก็น่าจะเรียกเราคณะนี้ว่าส2บสองเสี่ยน ขนาดเกิดกระเสยซึ่งดูว่าไม่มีอะไรเลยเป็นคุณสมบัติพิเศษแต่ก็เดินป่าได้ทรหดนะักแล้วก็รู้วิชาเอาตัวรอดได้อย่างดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเออถ้าจะจริงแฮะแต่สำหรับฉันนะ่ะเห็นจะจัดเข้าชั้นเซียนอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวชยันเสือมาก็จัดเข้าขั้นเซียนขั้นหนึ่งอยู่เหมือนกันลเละเซียนประเภทแยอารมณ์กลงประสาท ทำตลกโป๊ค้าให้เข้าเรื่องอยู่ตลอดเวลายังไงอะดารินบอกแต่ระพิงยิ้มให้กำลังใจมาว่าที่ไหนได้ครับคุณชัยยันคุณลืมไปเสแล้วเหรอการวางกับระเบิดก็ดีการติดสายชนวนทีเอนทีก็ดีหรือการวางแผนยุทธวิธีตั้งรับก็ดีพวกเราทั้งหมดพึ่งใครถ้าไม่ใช่คุณชัยยันืออถึงว่าสินนะแหมลืมความสาคัญของตัวเองไปสได้ เฮ้ยังนี้ค่อยภูมิใจหน่อยบอกกล่าวกันซะเดี๋ยวนี้เลยนะพวกเราทั้งสิบสองคนนี่แหละถ้ารอดตายกลับบ้านได้ไม่ว่าใครจะแยกย้ายกันไปอยู่ที่ไหนก็ตามในรอบปีควรจะจัดไว้เป็นวันพิเศษสำหรับชุมนุมพบปะเพื่อเตือนระลึกถึงเหตุการณ์ที่เคยมาร่วมชีวิตกันในครั้งนี้สักวันหนึ่งวันนั้นเราจะเลี้ยงฉลองและสร้างบรรยากาศงานปาร์ตี้ให้เหมือนนกับที่เรากอดคอร่วมตายกันอย่างนี้ ฉันคิดว่าจนวันสุดท้ายแห่งชีวิตฉันคงไม่อาจลืมใครในบรรดาพวกเราทั้งหมดนี้ได้แม้แต่คนเดียวนั่นเป็นการพูดเล่นอย่างเรื่อยเยื้อยไปตามประษาของช ย, ยันแต่มันก็มีความหมายสําคัญทําให้ทุกคนต้องคิดและเห็นด้วยแน่ละ่ะแต่ละหนึ่งชีวิตในสิสองนี่ใครจะลืมใครได้ไม่ว่าจะแยกย้ายกันไปเช่นไรในอนาคตตะการเบื้องหน้า ทุกคนมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟน้นมีชีวิตเกี่ยวพันในลักษณะในลักษณะสหชีพชนิดที่แม้แต่วิบากกรรมหรือมรตยูก็ไม่สามารถจะแยกออกได้ความสามัคคีกลมเกลียวความรักห่วงใยซึ่งกันและกันประกอบกับวิชาความรู้แต่ล ะ, ะแขนงที่ต่างมีไปคนละอย่างช่วยให้คณะทั้งหมดดำรงชีพอยู่เนื้อพิพบัติภัยทั้งปวงที่ราวีเข้ามา ประดุดมีเทพเจ้าคอยอนุเคราะห์เกื้อหนุนอยู่ตลอดเวลาต่างฝ่ายต่างเป็นหน่วยที่เจือจานคำจุนกันได้ทั้งสิน้นสุดแต่จะเป็นโอกาสวาระของใครชื่าวราริธท่านหัวหน้าคณะอาจพูดถูกแล้วที่ว่าถ้าคนกลุ่มนี้ยังรวมตัวกันอยู่เช่นนี้อย่าว่าแต่ขุนเขาพระสิวะเลยต่อให้นรกหรือสวรรค์ก็เห็นจะไม่มีอะไรต้องยีระ อีกแล้วการเดินทางเริ่มต้นต่อไปเมื่อสางปาและเสรยรอดพ้นนาทีวิกฤตท่ามกลางอากาศสลัวราวกับคลุมด้วยฉากสีหม่นนั้นรพินไพรวันควักเข็มทิศออกมาตรวจสอบเพื่อกันความผิดพลาดครั้งที่สองแล้วนำออกรุดหน้าทันทีโดยไม่รอช้าฝ่าไปตามทุ่งหญ้าที่กลาดเกลื่อนไปด้วยกรวดน้าแข็งเหล่านั้นไต่ขึ้นเนินชัน อันเป็นเนินที่ถูกพายุพัดถอยร่นกันลงมาอย่างไม่เป็นขบวนเมื่อชั่วโมงที่แล้วไม่นานนักก็ถึงระดับพื้นราบบุกบันกันไปตามการชี้บอกของเข็มทิศเจ้าคนที่เกือบตายเพราะความหนาวเย็นทั้งสองคนเดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นคนที่อบอุ่นสบายตัวที่สุดเดินตัวปลิวในขณะที่คนอื่นๆต้องห่อกายหนาวเหน็บไปตลอดระยะชยันเดินบ่นไปตลอดทาง ร่ำร่ำจะขอยาแก้หนาวจากบุญคำมากินบ้างแต่เชษฐากะดารินทวงไว้เพราะเห็นว่ายังไม่จำเป็นและชี้ให้ดูเจ้าของยาวิเศษเองซึ่งยังอุตสาหทนเดินคางสันกระทบกันอยู่กึกๆึโดยไม่คิดจะเอาเปรียบใครเลยไม่รู้หลักถ้าตกค่ำคืนนี้เรายังเดินไม่พ้นทุ่งน้ำแข็งนรกนี่อีกแล้วก็คนที่จะเป็นตะคริวแข็งไม่เป็นคนที่สามคือฉัน มันหนาวะไยยังหาเหี้ยวอย่างนี้ก็ไม่รู้เลยไม่ใช่ตะ บ, บอยบ่นที่จริงๆนะชั ย, ยันมันก็หนาวด้วยกันทั้งหมดทุกคนนั่นแหละแต่ไม่เห็นมีใครก็บ่นเป็นหมีกินพึ่งอย่างเธอเลยสักคนเดียวเคยอยู่ในนอร์เวย์ตอนฤ ด, ดูวินเทอร์แล้วไม่ใช่เหรอแล้วไหนเคยบอกว่าชอบเล่นสกีแถวเทือกเขาแอลยังไงดารินว่าโทก็มันเหมือนตอนนี้ซึเมื่อไหร่เล่าน้อย เพื่อนชายหน้ามุย่ยตอบสะบัดสะบัดอีตอนเล่นส ก, กีหรือว่าอยู่กลางหิมะมันมีเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวพร้อมไม่ใช่เสื้อกันหนาวธรรมชาติแบบนี้นี่ว่าแล้วก็ออกไปเล่นอยู่พักเดียวเท่านั้นแหละอยู่ในที่พักมีเครื่องทำไมอุ่นอย่างที่รู้กันอยู่แล้วแต่ไอที่เราเดินกันอยู่นี่ยังหวังที่พึ่งในอนาคตไม่ได้เลยเป็นชายชาติทหารอกสามศอกแทๆ้ๆยังใจศอก ดูแตเมยสิไม่ปรีปากอะไรสักคำเดียวอ้าวไอการลุยน้ำานะ่จะเอาไปไกลไปเที่ยวกับเปิดได้ยังไงเราแม่คุณแม่นั่นน่ะมันคนเมืองหนาวเดินลุยน้ำแข็งเล่นแม่ก็แฮปปี้ไปเท่านั้นนี่ก็ตอนเดินผ่านทุ่งแรงมีแต่ฝุ่นกับแดดปเปรียงปเปรียงคราวนั้นยังไงลืมซะแล้วเหรอฮะไปได้สักกี่น้าความเค้เก้ทาท่าจะชักดิน้นชักงอไปเลยพับผ่าดิ อยากจะมีขนดุงรังอย่างวายาหรื อ, อลิงพวกนั้นจะจริงๆไม่รู้อุณหภูมิตอนนี้มันเท่าไหร่นะสงสัยเลยศูนย์องศามาหลายขีดยังก็เดินอยู่ขั้วโลกเหนืออย่างนั้นแหละขอยาตาบุญคำกินมั่งก็ไม่ได้ขอกันท่าไว้ใจดำช้ำมัดหิวก็หิวไม่รู้ใจได้กินข้าวกลางวันกันอีตอนไหนแะอะไรต่ออะไรอีกร้อยสี่พันอย่าง ที่ช ย, ยันจะรำพันไปตามปราษาคนปากอยู่ไม่สุกดารินหมั่นไสก็เลยไม่อยากจะฟังอะไรอีกเดินแยกห่างมาซะแต่ก็รู้ว่าช ย, ยันไม่มีอะไรจะทำก็เลยบ่นไปตามเรื่องอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่เห็นว่าเพื่อนชายจะมีอาการหนักหนาอะไรตรงข้ามขณะที่เริ่มออกแรงเดินความหนาวเย็นค่อยคลายลงกว่าการจับเจ่าอยู่กับที่เสด้วยซ้าและการเดินก็ไม่เหนื่อยทำเวลาได้ดีขึ้นอีกด้วย อีกชั่วโมงเศษต่อมาของการเดินกันอย่างรีบรุษทำเวลาเต็มที่ทัศนวิสัยก็เริ่มกระจางขึ้นสามารถแลเห็นทิวทัศน์ได้ห่างไกลออกไปในระยะ200เมตรกรวดน้ำแข็งอันเกิดจากลูกเห็บที่ซัดโรยลงมาปกคลุมพื้นดินก็เบาบางเว้นระยะห่างออกไปเป็นลำดับจนกระทั่งในที่สุดก็พ้นเขตเข้าสู่บรรยากาศที่อบอุ่นขึ้นทุกขณะ มันเป็นเวลาเกือบบ่ายสามโมงที่รพินเลือกได้ยอดเนินเตเติยาลูกหนึ่งเป็นที่ปรงหาพักเพื่อกินอาหารกลางวันซึ่งผิดเวลาปกติมาถึงเกือบสามชั่วโมงสิ่งที่มาเรียคาดการไว้ไม่ผิดไปเลยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในระยะเวลาที่ไม่ห่างเกินไปนักทำให้ร่างกายปรับไม่ทันหลายคนเกิดอาการสะบัด ร, ร้อนสะบัดหนาว บวดหัวตัวร้อนทำท่าจะเป็นไข้ขึ้นมาตามๆกันรวมทั้งตาบุญคำหมอวิเศษเข้าให้ด้วยซึ่งพราะเกิดจับไข้ขึ้นมาเพราะผิดอากาศก็ไม่มีปัญญาจะช่วยตัวเองได้คราวนี้ก็ต้องร้อนถึงหมอฝรั่งขึ้นมาบ้างเทียบตรวจอาการของทุกคนและแจกจ่ายยาให้กินสกัดไว้ทั่วทุกคนก่อนที่จะมีอาการมากขึ้นกว่านั้นแมรพินกังแงทายซึ่งดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนด้วยเลย ด้วยธาตุแร่งประจำตัวแต่ก็ไม่ไวถูกหลอนบังคับไปกินยาป้องกันไว้ก่อนคราวนี้ก็ตาของหมอดารินมั่งแล้วนะหล่อนพูดยาวๆกับทุกคนระหว่างเดินแจกยามีอยู่สองคนเท่านั้นที่ไม่ต้องกินยาคือเสยกระสงังตาผู้กลายเป็นมนุษย์ธาตุไฟไปซะและ้วอย่างน้อยก็ชั่วขนาดหนึ่งบัดนี้ทั้งสองนอนถอดเสื้อแพ่ลาบนร้อนรุ่มเป็นกาลังเหมือนคนเมาเหล้าจัด หูตาแดงดำไปหมดฮสนุกแท้ให้ตายสิระยะทางช่วงนี้ของเราน่ะมันเป็นช่วงที่ทารุนร้ายกาดที่สุดเชื้าพูดขึ้นปนหัวเราะกว้างๆขณะที่สุดกายลงนั่งตรงหน้าของพรานใหญ่ผู้บัดรนี้กำลังเอาเข็มทิศวางเทียบกับแผนที่และขีดเส้นไว้บางๆต า, า, ากเตรียมไว้สำหรับการคืบหน้าเขาเงยขึ้นยิ้มตอบ ผมคิดว่าอีกวันสองวันเราก็จะเคยชินไปเองแล้วครับระหว่างนี้ก็ระวังยาย ใ, ใครจับค่ายขึ้นเท่านั้นซึ่งผมเชื่อว่าคุณหมอดารินคกงเอาอยู่นี่ยังนึกไม่ออกเลยนะว่าคืนนี้เราจะนอนที่ไหนยังไงข้างหน้าครับจอมพรานบุยปากไปยังทิศทางเบื้องหน้าก็ที่ใดที่หนึ่งที่เราเห็นว่าเหมาะสมแล้วครับแต่ถ้าไปยุลูกเห็บหรือฝนมันมาในตอนกลางคืนก็สวัสดีนะผู้กอง ชัยยันยื่นหน้าเข้ามาบอกแต่เราจะหาชยภูมิที่ป้องกันอันตรายชนิดนี้ไว้ด้วยครับคุณชัยยันก็อย่างที่ผมบอกแล้วไงแต่ไม่คิดว่ามันจะมีมาซ้ำอีกในคืนนี้เพราะเราเดินทวนลมมันพัดสวนเราไปหมดแล้วล่ะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันธรรมชาติในโซนนี้ไว้วางใจอะไรไม่ได้ทั้งสิน้นมาเรียงแงนมองดูทองฟ้าที่แลเห็นแนวแสงรำไรลอดหมู่เมฆอยู่เบื้องสูง เหมือนดวงตาของพระผู้เป็นเจ้าเฝ้าจับมองเราอยู่และปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามยถากรรมหล่อนพืมพมดวงตาที่เคยท้าทายต่อทุกสิ่งรีโรยลงเชิดทาอบแขนไปรอบไหลไว้พร้อมกระตบเบาๆอย่างปลอบใจรู้สึกคุณจะท้อแท้ทอดอะไรหรือเกินนะเมมาเรียฝืนยิ้มตอบพยายามวางสีหน้าเป็นปกติ พี่ใหญ่ะฉันเพิ่งจะรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เองคะ่ะว่าฉันเป็นคนไม่เข้มแข็งนักหรอกสู้น้อยก็ยังไม่ได้ดูผัดผ่าเว่าเขาจะเป็นคนอ่อนแอที่สุดของคณะไม่ถึงครั้งแรกฉันก็ยังดูหมิ่นเขาแต่ตรงข้ามในที่สุดเมื่อยามเข้าที่ขับขันจริงๆมันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าหมอดารินแข็งแกร่งที่สุดต่อทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะหนักสักแค่ไหนพร้อมกับกล่าว แม่สาวทอดสายตาอย่างนิยมลึกซึ้งไปยังดารินวราฤทธิ์ผู้ซึ่งประสานตาตอบมาอย่างฉงนระพินไพรวันรอบสูดลมหายใจลึกใช่แล้วเขายอมรับอยู่ในใจตามถ้อยคำสารภาพของมาเรียถึงเขาเองก็เคยคิดปรามาตรกุณสตรีผิวบางร่างอ่อนแอผู้นี้มาก่อนเช่นกันคนเราถ้าไม่ลองกันจนถึงขั้นสุดบ้านปลาย จะรู้ได้ยังไงว่าใครแกร่งแค่ไหนคุณชายเชษฐาก็ดีหรือคุณชายอนุชาก็ดีล้วนเป็นนักผจญ ภ, ภัยที่ยิ่งใหญ่และทรหดบึกบืนทั้งสิ้นก็ฉะไหนเหล่าน้องสาวจึงจะไม่ถอดสายเลือดจากพี่ชายนักต่อสู้ทั้งสองสุขภาพของเธออาจจะไม่ดีนักนะเมดารินพูดอ่อนโยนเต็มไปได้วยความการุณาและโดยแท้จริงแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว หลดมองดูมาเรียฮอฟมันด้วยสายตาของพี่สาวมากกว่าทางพร้อมที่จะให้อภัยและปราณีเสมอคนเราถ้าร่างกายเริ่มจะอ่อนแอจิตใจก็พลอยอ่อนแอไปด้วยฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่เหรอว่าเธอกำลังจะไม่สบายเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละต้องมันกินยาหน่อยนะฮ้บรรยากาศของที่นี่เลวร้ายยาบัดซบที่สุดชยันสาบแช่ง มองไปทางแม่เพื่อนใจของเขาอย่างวิตกกังวลและห่วงใยเปี่ยมล้นเราเพิ่งจะมานึกได้ว่าเราคิดผิดที่ชวนคุณกระสังปลาให้ร่วมทานมากะเราด้วยความจริงถ้าปล่อยคุณกระสางปลาให้บายหน้ากลับเชื่อว่าคงจะปลอดภัยกว่าที่จะบุกบันอย่างไม่รู้อนาคตมากะเราเช่นนี้ตอนนั้นเราเป็นห่วงคุณกระสางปลามากแต่สิ่งที่ผ่านมาแล้วและกาลังจะฝ่าฟันต่อไปมันได้พิสูจน์ชัดออกมาแล้วว่า หนักกว่าสถานการณ์ที่คุณควรจ ะ, ระเผชิญเดิมร้อยพันเท่ามาเรียสายสีสะช้าชายิ้มเศร้าเศดูดูบางขนาดก็น่าสงสารอย่าพูดเช่นนั้นนะชยันโปรดเถอะฉันขอร้องฉันและสัางปานะพอใจที่จะติดตามมากับพวกคุณภายหลังเมื่อสเตเกนสิ้นแล้วอันเป็นเจตนาอันแน่วแน่ของฉันเองและฉันก็ไม่ได้วิตกหวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นขอแต่เพียงให้ทราบเท่านั้นว่า เราสองคนพอจะเป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะส่วนใหญ่ได้บ้างไม่ใช่มา่วงเป็นภาระหรือสร้างข้อยุ่งยากรำคาญใจใดๆให้แน่นอนสิเม่ทั้งคุณและส่งปานะช่วยเหลือพวกเราได้เป็นอย่างมากก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วกระพินไพรวันพูดออกมาจากใจจริงมาริหันไปมองตาก้มศีสนิดนึงก็เท่านั้นแหละไพรวันเพราะฉะนั้นโปรดอย่าได้วิตตกกังวลกับชั้นเลย ขอสบายใจได้ฉันไม่เคยคิดเสียใจเลยที่มาร่วมอยู่กับพวกคุณทั้งหลายถ้าจะเสียใจบ้างก็เฉพาะเมื่อรู้สึกตัวว่าบางขณนะฉันชอบทำความยุ่งยากให้เท่านั้นแล้วหล่อนก็หันไปทางเชษฐถาพี่ใหญ่คงไม่ถือฉันไม่ใช่หรือคะคุณเป็นคนน่ารักนะเมนี่พูดจากใจจริงในสายตาของผมถ้าขาดคุณสักคนเดียว นอกจากเราจะขาดผลประโยชน์ในด้านความรู้ทางเทคนิคโดยเฉพาะแล้วเราคงจะหงอยเหงากันมากน้อยเองก็จะมีความสบายน้อยกว่านี้เพราะขาดเพื่อนเพศเดียวกันอย่าคิดอะไรให้มากเลยเมหนักนิดเบาหน่อยกระทบกระทั่งอะไรกันไว้บ้างในระหว่างพวกเราทั้งหมดนี่ก็คิดซะว่าเป็นไปอย่างฉันพี่น้องผมเองก็รักทุกคนที่ร่วมทางกันมานี่เหมือนพี่น้องทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับคุณนะ่ะ ผมรักน้อยอันเป็นน้องสาวของผมเช่นไรผมก็รักคุณเช่นนั้นไม่ได้แตกต่างกันเลยแล้วก็ตลอดไปมาเรียนน้ำตาคลอดึงเอามือเชิด้าไปจูบแล้วกอดไว้แนบอกขอบคุณค่ะพี่ใหญ่ฉันก็จะเป็นน้องสาวที่ดีของพี่ใหญ่ตลอดไปเช่นกันค่ะผู้กองที่หมายอันดับต่อไปของเรานี่คืออะไรท่านหัวหน้าคณะเข้าสู่แผนคืบหน้าอย่างเป็นงานเป็นการต่อไป หลุมอุกาบาดหลุมที่หนึ่งครับพร้อมคําตอบจอมพรานใช้ปากกาหมึกแห่งชี้เป้าหมายในลายแทงตําแหน่งหนึง่งให้ทุกคนดูมันอยู่ในเส้นที่เขาขีดไว้หลุมอุกาบาดเนี่ยหมายความว่าอย่างไงลูกอุกาบาดตกลงมาทําให้เกิดเป็นหลุมขึ้นนั่นกระมังพรานใหญ่เอาด้ามปากกาแตะริมฝีปากปารีลงในนี้ไม่ได้บอกความอะไรไว้มากครับ แต่เข้าใจว่าคงเป็นเช่นนั้นพื้นที่แถบนี้เป็นที่ราบสูงและราบต่ำสลับกันไปตลอดผิวดินเบื้องหน้าโล่งตียนเป็นส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยหญ้าและวัชพืชเตี้ยๆแต่มีหลุมหรือแอ่งลึกลงไปทำให้สังเกตเห็นได้ชัดซึ่งระบุไว้ว่าหลุมอุกาบาทก็น่าจะหมายถึงว่าสเก็ตดาวคงจะตกลงมาทาให้เกิดเป็นหลุมใหญ่ขึ้นพอที่จะสังเกตเห็นเป็นเครื่องหมายได้ครับ คำว่าหลุมที่หนึ่งก็ต้องหมายความถึงว่ามันมีมากกว่าหนึ่งหลุมนะสิใช่ไหมชัยยันถามโดยเร็วครับโดยทิศทางเดียวกันมีอยู่สามหลุมเว้นระยะห่างเท่าเกันคำนวณดูจากระยะทางนี่แต่ละหนึ่งหลุมที่เราจะมุ่งเข้าหาเป็นลำดับไปคงจะต้องใช้เวลาเป็นวันเหมือนกันหลุมแรกที่จะถึงเป็นหลุมเล็กที่สุดต่อไปก็จะใหญ่ขึ้นเป็นลาดับ สองวันต่อจากนั้นไปเราคงไม่ต้องไปคำนึงที่ที่ไหนอื่นใดก่อนทั้งสิ้นนอกจากจะต้องผ่านให้ได้ทั้งสามหลุมเสียก่อนสำหรับหลุมแรกนี่เราจะเข้าถึงกันเมื่อไหร่พอจะคำนวณถูกไหมคำถามมาจากท่านหัวหน้าคณะระพินใช้ความพินิษในแผนที่ลายแทงอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็ตอบอย่างลังเล ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับคุณชายแต่ก่อนข้าวันนี้คงเดินยังไม่ถึงแน่บางทีอาจจะเป็นพรุ่งนี้บ่า ย, ายถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรมาทำให้ต้องเสียเวลาล่าช้าไปอีกนะครับแล้วเขาก็พับแผนที่เก็บเงยหน้ามองกวาดไปยังพักพวกทุกคนเหลือเวลาอีกสามชั่วโมงก่อนมืดสนิทครับไปกันเถอะมันเป็นครึ่งหลังของวันแห่งการเดินหนัก อันกลายเป็นกิจวัตรจำเจของคณะทุกคนที่ชินกันจชแล้วเขาทั้งหมดกัดฟันบุกบันมุ่งหน้ากันไปเหมือนต้องมนต์สาบเหมือนแต่ละชีวิตได้เคยทำกรรมร่วมกันไว้ในบรระชาติจึงต้องมาชดใช้กรรมทุกยากทรมานสาหัส ร, ร่วมกันในชาตินี้อย่างเลือดตาแทบกระเด็นชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าภูมิประเทศที่รอนแรมผ่านกันไปไม่มีอะไรผิดแผก ไปกว่าที่เคยเห็นมันล้วนเป็นที่ราบสูงๆต่ตํมๆสลับซับซ้อนกันอยู่เช่นนั้นเรากับจะหาที่สิ้นสุดไม่ได้เพียงแต่ตระหนักได้ดีว่าทุกฝีก้าวย่างที่คืบหน้ามันเป็นการไต่ขึ้นบนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลขึ้นไปทุกขณะใครจะเดินบ่หน้าขึ้นไปสู่หลังคาของโลกอากาศรอบตัวปกคลุมไปด้วยพยับหมอกตลอดเวลา นานๆครั้งจะเห็นลำแสงตะวันบ่ายลอดเล็ดออกมาจากหลืบเมฆปร่งสีสันไปต่างๆครั้นแล้วไม่นานก็อันตรฐานเร้นหายไปอีกถ้าปราศจากซึ่งพายุฝนหรือหาลูกเห็ดซึ่งอาจกล่ํากลาเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเวลาซะแล้วสภาพการเดินทางในช่วงนี้จัดได้ว่าสะดวกสบายกว่าทุกแห่งที่ผ่านกันมาแล้วนับตั้งแต่ออกจากหนองน้าแห้งเพราะเป็นทุ่งโลง่ง ซึ่งชุ่มชามเยือกเย็นอยู่ชั่วนิรันดร์การไม่ต้องบุก ป, ปาฝ่าน้ำหรือปีนเขาลงห้วยพื้นที่ก็ราบเรียบไม่ครุขระสะดวกต่อการย่างเท้าก้าวเดินเป็นอย่างยิ่งภัยอันตรายอันจะมาจากสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามสามารถมองเห็นได้ทันท่วง ท, ทีในระยะห่างพอที่จะเตรียมป้องกันได้ทันในระยะนี้เอง ที่ทั้งหมดแววเสียงบทเพลงจากแงซายดังขึ้นอีกครั้งระหว่างที่แบกหามคู่กับขยินนำดิ่งไปเบื้องหน้าเป็นน้ำเสียงที่ชัดเจนแจม่มใสและดังก้องกังวานอย่างประหลาดท่ามกลางความเงียบสงดอันมีแต่เพียงเสียงลมที่พัดผ่านดังวื้วื้และเสียงฝีเท้าทั้งสิบสองคู่ที่เหยียบย่าไปบนพื้นหญ้า อารมณ์และจินตนาการอันเคร่งเครียดของฝ่ายนายจ้างทุกคนเริ่มจะคลี่คลายลงเมื่อได้ยินเสียงเพลงจากเจ้าคนรับใช้พิเศษของคณะไอคนลึกลับที่อาสาสมัครเข้ามาร่วมทางมีสเสน่ห์อันน่าพิศวงอยู่ในตัวของมันเองยากที่จะพูดได้ถูกในผู้กองถ้าคุณมีอารมณ์ชื่นบานและและเห็นโลกรอบตัวในแง่ที่ดีงามสดใสเหมือนแง้ทรายบ้าง ไม่ต้องมากหรอกแม้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นพวกเราทุกคนคงจะสบายใจกันขึ้นอีกไม่ใช่น้อยนะหล่อนแอบประสิ์กับพรานใหญ่ในจังหวะหนึ่งที่เขาเดินใกล้เข้ามาในลักษณะเคียงคู่อย่างบังเอิญคนที่มีความหวังอันสดใสก็มักจะมีอารมณ์ชื่นบานสำหรับผมนะความหวัง ใ, ใดๆมันไม่สู้จะสดใสนักโลกของผมมันจึงไม่ค่อยจะโสภาเหมือนเจ้ากระรเวกเสียงหวานนั่น ก็ทำไมคุณไม่คิดบ้างล่ะว่าคุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตเกินกว่าเหตุดารินพูดเนิบเนิบหางเสียงอ่อนโยนมีแววประโลมใจแฝงอยู่ในทีนี่เทียบระหว่างคุณกับแง่ทายแล้วคุณเป็นใครแง่ทายเป็นใครคุณน่าจะทำตัวให้เบิกบานได้มากกว่าเขานะแล้วคุณหญิงว่าผมเป็นใครล่ะครับก็พินไพรวัน แพนใหญ่ผู้ระมบือชื่อเสียงสิบทิพถึงจะไม่ ร, ำร่ำรวยก็ไม่ได้ยากจนค้นแค้นอะไรเป็นอิสระเอกเทศแก่ตัวเองไม่ขึ้นกับใครมีชีวิตอยู่อย่างสันโดษเป็นตัวของตัวเองซึ่งก็น่าจะมีความสุขพอสมควรตามอัตภาพแล้วนี่แล้วคุณหญิงว่าเจ้านั่นเป็นใครล่ะครับพร้อมพูดเขาบุยปากไปทางเบื้องหลังของร่างตระ ง, งานที่ดุมนาอยู่หน้าขบวนสุด ก็เจ้าคนหนุ่มนักบุกป่าพเนจรปราศจากหัวนอนปลายตีนคนหนึ่งเท่านั้นคุณหญิงครับนั่นนเป็นสิ่งที่เราเห็นและรู้กันเฉพาะผิวนอกเท่านั้นนะครับแต่ไม่มีใครรู้ว่าโดยแท้จริงแล้วนะ่ะเขาเป็นใครมีจุดมุ่งหมายเช่นไรจึงดํารงตนอยู่ในฐานะและสภาพเท่าที่เรารู้เห็นกันอยู่นี่แต่ที่แน่นอนที่สุดคือเขามีความหวังอันสุขใสแต่สําหรับผม ไม่มีเพราะฉะนั้นแง่สายจึงน่าจะมีความสุขเบิกบานใจได้มากกว่าคนที่ชื่อระพินไพรวันหม่อมราชวงศ์สาวคนสวยถอนใจเบาๆทอดสายตาแลจับที่เขาด้วยประกายลึกซึง้งแล้วถามแผ่วเบาว่าดารินวราฤทธ์นะพอจะเป็นความหวังอันสุขใสของคนที่ชื่อระพันระพินไพรวันได้บ้างไหมและดวงตาทั้งคู่ก็สบกันนี่ คุณหญิงครับรบพินไทรวันไม่บางอาจที่จะหวังได้หรอกครับเข้ากระซิบสิ้นประโยคก็เดินล้ำหน้าห่างออกไปอย่างส ง, งีม่มเจียมใจนับตั้งแต่เผชิญกับพายุลูกเห็บเป็นต้นมาติดต่อกันอีกหลายชั่วโมงกราบจนกระทั่งใกล้ค่ำทิวปีครุดอนันเป็นเป้าหมายที่สังเกตเห็นได้ในระยะการเดินทางเริ่มต้นไม่ปรากฏขึ้นในสายตาอีกเลย เพราะเมฆหมอกคลุมอยู่ตลอดเวลาดูราวกับจะถูกอำพรางปิดซ่อนไว้ด้วยอุ้งหัดของเทพเจ้าฉะนั้นการเดินมีสภาพไม่ผิดอะไรกรับเดินเรือในมหาสมุทรซึ่งต้องอาศัยเข็มทิศประกอบแผนที่ซึ่งกำหนดไว้แล้วเท่านั้นที่แรมคืนถูกกำหนดขึ้นยังบริเวณตีเนินลูกหนึ่งใกล้กับละเมะไม้โปร่งซึ่งเพิ่งจะพบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดินกันมาตลอดทั้งวัน ท่ามกลางความเบืองวั ง, วงแทบจะหามายืนต้นไม่ได้เลยและเมะนนี้มีอาณาบริเวณเพียงไม่เกินสมตารางกิโลเมตรเหมือนเกาะที่ผุดโผล่อยู่กลางทะเลยาอันไพศาลเป็นไม้ประเภทสนภูเขาสลับไปกระบายเฟิ่ออยู่ในส่วนล่าต่ำของบริเวณเนินสูงล้อมรอบด้านลักษณะเป็นแองก้นกระทะมีแหล่งน้าพุผุดพุ่งขึ้นมาจากใต้แผ่นดินอยู่ทั่วไป เป็นชัยภูมิอับพายุได้อย่างดีเยี่ยมจากภูมิประเทศกำบังรอบทิศและยังได้อาศัยไม้ก่อไฟได้อีกด้วยสำหรับการผจญกับราตรีอันหนาวเย็นจนกว่าตะวันจะขึ้นพรุ่งนี้ซึ่งแต่เดิมทุกคนคิดวิตกกันอยู่ตลอดเวลาชา ย, ยันพอแลเห็นป่าไม้ก็ยิ้มออกมาได้นี่ทำไมเทวดาก็คงฤาษีกลทัญญะที่ช่วยเราพบกระดงไม้นี่เข้า ไม่งั้นก็เห็นจะไม่แคล้วต้องขุดรูนอนแบบแย่หรือตัวตุนเฮขอขอบคุณต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังปราณีอยู่บ้างโล่งอกไปได้อีกคืนนึงละไม่ใช่เทวดาหรือฤาษีโกนทัญญะหรอกแต่เป็นความสามารถของมรรคุเทศชั้นหนึ่งของเราซะมากกว่าสหายของเขาพูดเบาๆพร้อมกับบุยปากไปทางระพินซึ่งในขณะนี้ กำลังบงการให้พวกพรานพื้นเมืองปรงหับจัดที่พักขึ้นอย่างรีบด่วนแข่งกับเวลาซึ่งขมุกขมัวลงทุกขณะบริเวณที่พักอาศัยผนังตัดฉากของเนินดินร่วนตำแหน่งหนึง่งแทนฝากั้นด้านหลังหันหน้าออกสู่ละเมาะไม้ซึ่งอยู่ในระดับที่ลุ่มลงไปเล็กน้อยขึงผ้าใบาในลักษณะเพิงลาดต่ากันลมและนาค้างและชั่วโมงต่อมา กองไฟก็ถูกก่อขึ้นทางด้านปลายเท้าของที่นอนส่งความอบอุ่นไปทั่วทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสับลงอย่างรวดเร็วด้วยความชำนาญคล่องแคล่วของแต่ละคนซึ่งคณะนายจ้างทั้งสี่คนแทบจะไม่ต้องช่วยเหลืออะไรเลยนอกจากนั่งพักไม่เคยมีครั้งใดที่ทุกคนจะสังเกตเห็นจอมพรานผู้นำทางคร่ำเคร่งต่อการพิจารณาแผนที่ลายแทงเท่าครั้งนี้ เมื่อเวลาหารค่ําผ่านไปแล้วและต่างเตรียมจะนอนพักด้วยความเหน็ดเหนื่อยอิจโรยก็เห็นเขาปลีกตัวออกไปนั่งพิจารณาแผนที่เงียบเงียบอยู่คนเดียวโดยอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงแบตเตอรี่ดวงเล็กครั้งแรกฝ่ายนายจ้างไม่คิดจะรบกวนอะไรเขานอกจากจะปล่อยไว้ตามลําพังแต่เราก็เปลี่ยนความคิดดั้งเดิมเพราะเห็นระพินเรียกแงซทายเข้าไปซุบซิบหารือกันอยู่จึงพากันเข้าไปสมทบ ยกเว้นมาเรียคนเดียวซึ่งคืนนี้หล่อนแสดงอาการอิดโรยอ่อนเพลียผิดไปกว่าทุกวันภายหลังจากกินยาแล้วก็นอนสงบนิ่งไปในทันทีไม่ไรหนักใจเหรอผกกูอ้กองเชษฐาถามอ่อนโยนเต็มไปได้วยน้ำใสใจจริงพรานใหญ่เงยขึ้นยิ้มตอบขึ้มขึ้ ม, มก็คงไม่มีอะไรหนักมากไปกว่าเท่าที่หนักมาแล้วหรอกครับคุณชาย เราสังเกตเห็นคุณพิจารณาดูมันบ่อยครั้งที่สุดในระยะนี้นะและดูเหมือนจะมีอะไรกังวลเพิ่มขึ้นทุกขณะ ด, ด้วยชยยันพูดเบาๆพยายามอ่านสีหน้าและแววตาอย่างค้นหาระยะนี้นะมันจาเป็นนะครับคุณชยยันก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้แล้วเราจะห่างแผนที่ฉบับนี้ไม่ได้เลยครับเพราะเผือเมื่อไหร่เป็นออกนอกเส้นทางกันทีจะต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวทีเดียว น้อยครั้งนักนะที่ฉันจะเห็นคุณเรียกแง่ทรายเข้ามาปรึกษาดารินเอ่ยขึ้นมองหน้าสองคนสลับกันบอกให้รู้ได้บ้างไหมว่าหารือกันเรื่องอะไรก่อนที่เราจะเข้ามาก็ไม่มีอะไรฉุกเฉินพิเศษหรอกครับคุณหญิงผมเพียงแต่ปรึกษากับแง่ทรายถึงภูมิประเทศและเส้นทางคื้หน้าต่อไปของเราตามปกติเท่านั้นกำลังพยายามหาทางย่นระยะเพื่อสงวนเวลาขึ้นไปอีก บางทีเราอาจจะเดินตามเส้นชี้บอกของลายแทงไปทุกระยะโดยใช้หลักคำนวณให้ถูกต้องซึ่งจะต้องระวังกันอย่างที่สุดชนิดพลาดไม่ได้เลยแงทร า, ายผู้กองปิดบังอะไรเราหรือเปล่าหล่อนถามองครัก์ประจำตัวซึ่งซึ่งหน้าด้วยน้าเสียงปกติไงท า, า ย, ยิ้มเห็นไรฟันผู้กองไม่ได้ปิดบังอะไรนายหญิงหรือคณะเจ้านายทุกคนหรอกครับ ผู้กองเรียกผมมาหาหรือเกี่ยวกับที่หมายในแผนที่ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับเรามีข้อตกลงกันว่าเราอาจไปไม่ถึงทันตามกําหนดเวลานั่นเป็นเรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งคืนนี้เราโชคดีมากที่หาแหล่งที่พักได้อย่างปลอดภัยเหมาะสมเกินคาดแต่ในคืนพรุ่งนี้เราจะโชคดีอย่างนี้อีกหรือไม่และจะวางแผนกันยังไงถ้าภูมิประเทศไม่อำนวยทุกก้าวย่างของเราในเขตอันตรายจากธรรมชาตินี่ เป็นไม่ได้ปัญหาทั้งสิ้นครับนายหญิงอย่าปิดบังอะไรเรานะระพินถ้ า, าคุณกําลังเผชิญกับปัญหาฉุกเฉินชนิดใดๆอย่าเก็บให้สิ่งฉุกเฉินเหล่านั้นมาถึงพวกเราคนอื่นๆโดยไม่ทันรู้ตัวล่วงหน้าเหมือนอย่างที่แล้วแล้วมาไม่ต้องกลัวนะว่าการให้เรารับรู้ไว้ก่อนจะทําทให้เกิดขวัญเสียครับคุณหญิงผมเข้าใจดีครับแล้วก็เลิกปฏิบัติเช่นนั้นมานานแล้วละครับ แต่ที่ผมไม่ได้เชิญในคณะเจ้านายเข้ามาร่วมหารืออยู่ด้วยก็เพราะเห็นว่ายังไม่จําเป็นในขณะนี้อีกอย่างนึงก็เห็นว่าอ่อนเพลียกันมากอยากได้พักผ่อนสำหรับผมนะมีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วที่จะต้องตรวจสอบแผนที่ฉบับนี้ตลอดเวลาเห็นว่าแงซายยังตาสว่างอยู่ก็เลยเรียกมาช่วยกันคิดด้วยก็ไม่ได้มีเหตุการณ์พิเศษอะไรทั้งสิ้นละครนี่ปู้กอตรงที่เราพักกันอยู่ที่นี่นะ ในแผนที่ระบุตำแหน่งไว้หรือเปล่าท่านหัวหน้าคณะถามขึ้นอีกอย่างรอบครอบพยายามมองตรวจลงไปในแผนที่จอมพลันมีสีหน้าอึดอัดใจเล็กน้อยเอานิ้วเกาปลายจมูกเบาๆไม่มีครับเขาตอบน้ำเสียงเบาๆเต็มไปได้วยความคิดข้อนี้แหละครับที่ทำให้ผมแปลกใจอยู่เหมือนกันแต่บางทีมันอาจเป็นที่หมายที่เล็กน้อยเกินไปจนผู้เขียนลายแทงมองข้ามไปซก็ได้ รือไม่ได้ระบุไว้ตรวจ ด, ดูในแผนที่จะบอกไว้ว่าเป็นทุ่งโล่งโดยตลอดนับตั้งแต่ออกจากภูเขานิลการไม่บอกไว้เลยครับว่าส่วนใดจะมีละเมาะไม้ถ้ามีป่าโปรง่งหรือโดงต้นไม้ยืนต้นสลับไปอย่างนี้ตลอดทางการเดินของเราจะสะดวกขึ้นอีกมากเพราะอย่างน้อยก็ยังได้อาศัยโดงไม้ก่อไฟได้บ้างผมยังแขลงใจอยู่นะครับว่าตลอดเส้นทางที่เราจะคืบหน้าต่อไป จะพบดงไม้อย่างนี้อีกหรือไม่ถ้าพบไปตลอดเป็นระยะก็จะเป็นประโยชน์ของเราอย่างยิ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วทําไมแผนที่จึงไม่ได้บอกไว้เลยเชษฐาหมุนเอาแผนที่ฉบับนั้นไปดูอย่างพิจารณาดารินและชยันก็ชะโงกเข้ามาตรวจสอบด้วยอย่างใกล้ชิดอืมจริงด้วยสินะไม่ได้ระบุไว้เลยว่าจะมีภูมิประเทศ อย่างที่เราพักแรมกันอยู่นี่ชยันพึมพรมซอยเปลือกตาทีด้วยอาการพิศวงนี่ว่าแต่เราก็เดินตักทางมาตามเส้นชี้บอกทุกระยะเลยไม่ใช่หรอคูกองครับผมตั้งเข็มทิศขีดเส้นไว้เลยพร้อมกับรับคำเขาชี้ให้ดูแนวเส้นที่ลากไว้บางๆซึ่งในแผนลายแทงบอกไว้ว่าเป็นทุ่งโล่งของที่ราบสูงและราบต่าสลับกันอยู่เป็นระยะ ไม่มีเครื่องหมายใดจะบอกถึงป่าไม้ไว้เลยสักตำแหน่งเดียวถ้าเราเดินไม่ผิดเส้นทางก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะว่าแผนที่จะไม่ระบุถึงป่าไม้นี่ไว้บ้างเพราะว่าอันที่จริงมันก็ไม่ใช่ที่หมายเล็กนะคิดดูทิกลางทุ่งหญ้าราบโล่งมาตลอดนับเป็นระยะทางกว้างไกลแล้วจู่ๆก็มามีป่าไม้ขึ้นเป็นเกาะอยู่อย่างนี้ ตามปกติแล้วผู้เขียนแผนที่จะต้องกำหนดไว้ด้วยชนิดละเลยไม่ได้ทีเดียวเพราะมันเป็นที่หมายให้ผู้ที่จะเดินมาตามแผนที่นี่ใช้สังเกตได้ดูที่แองการเวกสิเป็นแอ่งน้ำเล็กนิดเดียวมีเนื้อที่ไม่กี่ตารางวายังเขียนบอกไว้ชัดเลยดารินว่าครับข้อนี้ผมก็สงสัยนะแล้วก็กำลังหารือแงซายอยู่นี่แต่เรื่องที่จะสงสัยว่าออกนอกเส้นผิดทางไปนั้น รับรองว่าไม่ใช่แน่ครับขอให้สังเกตที่หมายภูเขานิลการนั่นระบายหน้าออกจากภูเขานิลการมุ่งตะวันออกเฉียงใต้เป็นแนวดิ่งเลยมันจะผิดเส้นทางอ้อมบกไปสู่ทิศอื่นย่อมเป็นไปไม่ได้ครับระหว่างที่ทุกคนยังนิ่งกันอยู่เชษฐาใช้ไฟฉายประจำตัวส่องกราดลงไปยังดงไม้ข้างล่าง ผมคิดว่าข้อนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาชวนให้สงสัยกันมากนักนะในที่สุดท่านหัวหน้าคณะก็กล่าวขึ้นอย่างสุขุมมันอาจจะมีอยู่สองในยะนะอย่างแรกก็เหมือนกับที่รัพินเคยพูดไว้แล้วคือมังมหาราชาอาจจะเห็นว่าโดงไม้ที่เราพักกันอยู่นี่ไม่มีความสำคัญอะไรมากนักก็เลยไม่ได้ระบุไว้ในลายแทงของเขาโดยอนุโลมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ไพศาล หรือมิฉะนั้นโดยนัยยะที่สองระยะเวลาที่เขียนลายแทงฉบับนี้นะ่ะมันผ่านมาแล้วสี่ร้อยกว่าปีเวลาอันยาวนานนี่ทุ่งโล่งบางแห่งอาจจะเกิดเป็นป่าไม้ขึ้นมาก็ได้สังเกตดูป่าละมอพวกนี้อายุก็ยังไม่มากนะักเป็นไม้พันธุ์ล้มลุกต้นเล็กๆอายุไม่น่าจะถึงสี่ร้อยปีมันจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่มังมหาราชาเขียนลายแทงไว ไม่ได้บ้างเชียวหรือถ้าเป็นป่าใหญ่ดึกดำบรรต้นไม้มีอายุมากมากก็ยังน่าสงสัยอยู่ว่าทไมถึงไม่มีระบุในแผนที่เอมันก็น่าคิดตามที่คุณชายพูดนี่เหมือนกันนะครับแต่คนที่จะลงความเห็นได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเมเพราะชำนานในการกะอายุของพืชพันธุ์ได้ดีที่สุดพร้อมกับกล่าวพรานใหญ่เหลียวไปมองรอบๆ เหมือนจะค้นหานักวิชาการเลือดเยอรมันผสมฝรั่งเศสประจำคณะแต่ก็ไม่เห็นร่วมอยู่ด้วยพอดีกับที่หมอดารินบอกมาว่าตอนนี้นามีไม่ค่อยจะสบายฉันก็เลยให้นอนไปแล้วอย่าเพิ่งไปกวนเขาเลยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราค่อยขอความเห็นเขาในข้อนี้ก็แล้วกันแพินเหลือไปทางกระโจมที่พักนอนอย่างไม่ตั้งใจพึมพำเหมือนจะ ก, กล่าวกับตนเองว่า วันนี่เมดูจะอ่อนเพลียผิดปกติไปมากนะครับแล้วแลไปทางแพทย์สาวคนสวยประจำคณะซึ่งบัตรนี้พิสูจน์ออกมาได้ชัดแล้วว่าเป็นหนึ่งในจำนวนของนักผจญภัยที่แข็งที่สุดกล่าวถามเบาๆต่อมาอย่างไม่สู้สบายใจนักว่าสังเกตดูเป็นยังไงบ้างครับผมหมายถึงอาการหมอดารินฝืนยิ้มพี่ชายและชา ย, ยันพลอยมองมาที่หลอนเหมือนจะถามเป็นตาเดียวกัน เพราะต่างก็มีความวิตกกลิ่งเกรงเหมือนกันหมดนั่นคือใครก็ตามในคณะหากเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นในกำหนดเวลาอันเข้าได้เข้าเข็มนี้ก็หมายถึงว่าแผนเดินทางจะต้องประสบกับความล้มเหลวทันทีชื่อว่าคงไม่เป็นอะไรมากหรอกนะให้พักซะพรุ่งนี้อาจจะปกติแข็งแรงได้เหมือนเดิมสาเหตุก็มาจากการเปลี่ยนอากาศอย่างกระทันหันนั่นแหละอย่าห่วงกังวลเลย ฉันจะคอยดูเขากัดทุกคนเองว่าแต่คุณเพิ่งจะงอหัวขึ้นมาได้เมื่อเช้าวันนี้เองแท้ๆเชีแต่กลับแข็งแรงทำงานได้อย่างปกติที่สุดนี่คุณเอาเรียวแรงเอาความทรหดจากไหนกันมานะเนี่ย่านใหญ่หัวราอเอือยในลำคอมวนบุหรี่ใบตองแห้งในมือแล้วยกขึ้นคาบไว้คุณหญิงครับชีวิตของผมนะมันจาเจเคยชินกับความลาบากกลากรรมมานาน ถ้าลุกไม่ขึ้นก็สุดวิสัยแต่ถ้าลุกขึ้นมาทำงานได้เมื่อไรผมก็ทำได้อย่างปกติเหมือนเคยเมื่อนั้นล่ะครับแต่ก็ยังไม่แน่เหมือนกันว่ามันจะทำอย่างนี้ไปได้อีกนานสักเท่าไหร่เพราะอายุก็มากขึ้นทุกวันกําลังลดถอยเป็นเงาตามตัวสำหรับทางด้านผมนะขอให้ทุกคนหมดห่วงสบายใจได้ครับเอาเป็นว่าคอยระวังพวกเราคนอื่นๆก็แล้วกันผมรู้สึกว่าต่อไปนี้ ศัตรูสำคัญของเรานะคงไม่ใช่สัตว์ร้ายอะไรอีกแล้วละ่ะนอกจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นแม้แต่ตัวคุณหมอเองก็เถอะอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดนะครับคนอื่นๆ น, นะไมเ่เป็นอะไรหมอก็ยังช่วยเหลือแก้ไขได้แต่ถ้าตัวหมอเองเกิดลม้มลงใครก็ไม่มีปัญญาจะช่วยได้นะครับฉันไม่เคยประมาทหรอก ร, อรอพินนจะพยายามระวังรักษาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อเป็นหลักประกันของพวกเราทุกคน ในด้านนี้ตอนนี้เราเห็นจะมีหนา้าที่รับผิดชอบเท่าๆกันแล้วละ่ะความปลอดภัยในด้านโรคภัยไข้ป่วยของคณะทั้งหมดเป็นภาระของฉันเองส่วนการนาทางและความปลอดภัยในด้านอื่นๆนะับเป็นของคุณจอมพรานก้มศีรษะให้ครับนั่นเป็นการถูกต้องที่สุดแล้วล่ะครับเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่เชษฐากัจชัยันขอเรียนให้ทราบครับว่า สเสบียงที่เราขนมาจากภูเขานิลการนี่จะใช้กินกันได้ประมาณสมวันเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาสมวันนี่เราจะตั้งหน้าตั้งตาเดินทําระยะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อสนวนเวลาให้มากที่สุดโดยจะไม่ยิงสัตว์ชนิดใดทั้งสิน้นเว้นแต่เพื่อการป้องกันตัวภายหลังจากสเสบียงหมดแล้วถึงค่อยหาอาหารไปในระหว่างทางเท่าที่จาเป็น ทุกสิ่งทุกอย่างขออยู่ในดุลพินิษ์ของคุณก็แล้วกันผู้กองแต่ถ้าเกิดลังเลหรือจำเป็นจะต้องตัดสินใจทำอะไรลงไปชนิดเปลี่ยนแผนเดิมก็ขอบอกให้เรารู้ตัวด้วยเราทั้งหมดจะทำหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาหรือช่วยขบปัญหาให้เท่านั้นในกรณีที่คุณตัดสินใจเองไม่ได้ซึ่งความจริงหลักการชนิดนี้เราก็ถือเป็นแนวปฏิบัติกันมาแต่ต้นแล้วท่านหัวหน้าคณะมอบความไว้วางใจแก่เขาอย่างเต็มเปี่ยม กองสวันข้างหน้านี่ถ้าเราสามารถผ่านทั้ง3ามหลุมมุกกาบาดตามที่ระบุไว้ในแผนที่ได้ก็จะดีที่สุดนะชัยยันว่าผมก็อยากใจเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ที่ยังให้ความแน่ใจใดๆไม่ได้ก็เพราะลายแทงฉบับนี้ไม่ได้บอกระยะทางไว้แน่นอนเราเพียงแต่คาดคะเนเอาจากตำแหน่งที่วางจุดหมายไว้เท่านั้นว่าควรจะมีระยะห่างสักเท่าไหร่โดยการเปรียบเทียบเอาจากระยะทางที่เราเคยผ่านมาก่อนแล้ว ตามที่กำหนดไวจะยังไงก็ตามเมื่อถึงหลุมแรกหรือหลุมที่หนึ่งนี่แล้วผมจะตรวจภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมดูอีกครั้งถ้าพอเห็นช่องทางที่จะลัดระยะโดยไม่จำเป็นต้องผ่านหลุมที่สองและสามตามลำดับไปผมก็จะใช้วิธีตัดทางเลยเพราะถึงอย่างน้อยที่สุดเราก็มีจุดหมายใหญ่คือทิวปีกครุฑเป็นหลักอยู่แล้วที่พูดถึงนี้ย่อมขึ้นอยู่กับทัศนวิสัยสภาพของอากาศด้วยนะครับ นายจ้างทั้งสามฟังเขาแล้วต่างก็ยังนิ่งเฉยอยู่เพราะแต่ละคนแม้จะมองเห็นลายแทงกลางแผ่อยู่ตรงหน้าทว่าวก็ยอมรับสารภาพว่าหากปราศจากระพินเป็นผู้อ่านเรื่อยคำอธิบายแล้วก็จะไม่มีวันแลเห็นอะไรได้กระจ่างแจ้งมากไปกว่าแผ่นหนังเก่าๆผืนหนึ่งซึ่งเขียนตัวอักษรพม่าและลวดลายอะไรไว้ยุ่งๆเท่านั้นทุกคนจมดิ่งอยู่ในห้วงความคิด ซึ่งจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วทันใดนั้นเสียงต่ำลึกของแง่ทรายก็ทำลายความเงียบขึ้นว่าขออนุญาตให้ผมได้ออกความเห็นแม้ว่าอาจจะเป็นความเห็นที่ขัดแยง้งและไม่ต้องถูกและไม่ถูกต้องได้ไหมครับความน่ารักและความน่าไว้วางใจของเธอจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเธอแสดงออกในด้านความเห็นจะบ้างไม่ชนิ่งเฉย อ, อย่างที่แล้วมานะแง่ทราย ดารินพูดโดยเร็วแต่เน้นเสียงฉาดฉานชัดเจนขณะที่จ้องหน้าผมอ่านภาษาพม่ากออกนะครับโดยเฉพาะภาษาพม่าโบราณที่มังมหาเนราธาเขียนไว้ในลายแทงต้นฉบับนี่รัพยินไรไยวันหันขวับไปเบิกตาจ้องขมิงแล้วเป่าลมออกมาจากปากเบาๆให้ตกนรกไปเดี๋ยวนี้สิฉันเพิ่งจะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้เอง เชษาชยันเองขณะนี้ก็ตะลึงงงแต่ดารินเอื้อมือมาแตะไหลระพินไว้กระซิบว่าอย่ากโกรธระพินไม่ว่าแงซายจะไม่เคยแพร่งพลายบอกอะไรแก่คุณในเรื่องนี้มาก่อนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เขากำลังจะบอกคุณอยู่แล้วพร้อมกันหล่อนก็หันไปทางแงซายพยักหน้าพูดเรียบเรียบว่าพูดต่อไปสิแงซาย ถ้าเธอคิดว่าสิ่งที่เธอพูดมันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทั้งหมดเจ้าคุณใช้พิเศษยิ้มเจนเจือนสตตาจอมพรานแวบเดียวก็เหมือนหลบไปผมได้ทราบข่าวว่าผู้กองได้เคยให้เพื่อนชาวพม่าขี่เมาของเขาคนหนึ่งแปลลายแทงต้นฉบับนี้ให้และจดบันทึกไว้ตามที่ได้รับบอกเล่าจากคำแปลคำวันนี้เอง ที่ผู้กองกลางลายแทงต้นฉบับเดิมออกมาให้ผมดูและปรึกษากับผมตามแนวความคิดที่ผู้กองเองได้รับทราบจากคำแปลที่ถ่ายทอดมานั้นมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าคนแปลลายแทงให้แก่ผู้กองน่าจะแปลจากต้นฉบับเดิมให้ผู้กองได้ไม่ครบถ้วนนักมีข้อความที่ตกหล่นและเป็นข้อความที่ควรมีความสาคัญอย่างยิ่งชนิดที่ถ้าผู้กองไม่ทราบหรือมองผ่านไปซะ ก็อาจตัดสินใจผิดได้ครับระหว่างที่ระพินยังยืนเฉยเชษฐาก็ถามมาว่าอะไรที่แกคิดหรือเชื่อว่าการแปลถ่ายทอดจากต้นฉบับเดิมของผู้กองที่ได้รับมาตกหล่นขาดหายไปผมขออญาตสอบถามผู้กองก่อนแล้วกันนะครับจอมพเนจรผู้ลึกลับประสานสายตากับเขาอีกครั้งด้วยประกายคารวะและเกรงใจอยู่ในที มาเถอะแงซายเอาล่ะฉันจะไม่สนใจเก็บมาคิดอยู่แล้วว่าทั้งๆ ท, ท, ที่แกก็อ้างเดี๋ยวนี้ว่าแกสามารถอ่านภาษาพมา่าโบราณได้ซึ่งมันก็น่าจะหมายถึงว่าแกอ่านลายแทงต้นฉบับนี้ปุโปร่งกว่าฉันซะอีกแต่ตลอดเวลาแกนิ่งเฉยซะไม่ยอมระแคะระคายอะไรเลยผู้กองครับโปรดจะคิดว่าเป็นข้อแก้ตัวถ้าผมจะพูดว่าตลอดเวลามา ผู้กองไม่เคยกางแผนที่ต้นฉบับนี้ให้ผมดูและขอคำปรึกษาจากผมเลยเพิ่งจะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเท่านั้นนะครับผมจึงไม่มีโอกาสที่จะแสดงความเห็นใดๆไ ด, ได้ทั้งสิ้นสำหรับที่แล้วมานี่ทั้งสองคนฟังนี่เชฐาแรกขึ้นด้วยน้ำเสียงกล้าวเฉียบเป็นครั้งแรกเราต้องการความจริงที่เป็นประโยชน์ที่สุด เราไม่ต้องการการเหน็บแนมหรือเล่นลิ้ น, นกันด้วยคำพูดในะภาวะเช่นนี้นะไงาซายบอกว่าจะถามอะไรผู้กองก็ถามไปผู้กองครับมีคำอธิบายของคำว่าทิวปีกครุฑว่ายังไงในคำแปลที่ผู้กองได้รับกระพินเม้มริมฝีปากคลี่กระดาษคำแปลหรือกุญแจอ่านรหัสลายแทงขึ้นแผ่นหนึ่งออกดูและสั่นสีสัน ไม่มีคำอธิบายอะไรมากไปกว่าเทือกเขาด้านใต้สุดของขุนเขาประสิวะที่เจ้าของลายแทงตั้งชื่อไว้ว่าทิวปิครุดถ้าะฉะ น, นั้นก็เป็นความจริงตามที่ผมเข้าใจะคือผู้แปลข้อความได้แปลตกหล่นหรือผ่านความสำคัญไปซะคำว่าทิวปิครุดจากต้นฉบับเดิม ก, กล่าวไว้ว่าเมื่อท่านบรรลุถึงหลุมอุกาบาดหลุมที่สาม หันหน้าเข้าหาทิวเขาอังยาวเหยียดที่ขวางกั้นอยู่ทางทิศเหนือจะแลเห็นเป็นรูปพญาครุดกลางปีกผ ง, งาดอยู่ปลายปีกซ้ายทอดลงสู่ด้านใต้ปลายปีกขวาทอดไปสู่ด้านเหนือจะงอยปากจะชี้ไปทางตะวันออกมีลักษณะการประหนึ่งจะซ้ายขนปีกณนะหลุมอุกาบาดตำแหน่งที่ท่านยืนพินิษเห็นภาพดังนี้แล จงบ่ายหน้าไปตามปลายจะ ง, งอยปากครุดที่ชี้บอกทางเป็นเส้นตรงมาดว่าหันหลังกลับมาครั้งใดยังเห็นสันเขาด้านหลังเป็นรูปพญาครุดอยู่เช่นนั้นเส้นทางที่ท่านเดินถูกต้องแล้วมาดว่าสันเขาแปลเปลี่ยนผิดรูปไปจงหาเส้นทางที่ถูกต้องใหม่เหลียวหลังกลับมาครั้งใดเห็นพญาครุดภายในสามวัน ท่านจะบรรลุถึงเนินพระจันทร์ผิดจากที่กำหนดบ่งรหัสนี้แล้วไซตลอดทั้งชีวิตท่านจะไม่มีวันบรรลุถึงได้เลยคำพูดของแงรายทำให้ทุกคนที่สดับฟังอยู่ในขณะนี้แทบจะหยุดหายใจลงพร้อมกันด้วยความพิศวง ง, งุนงงเหลือที่จะกลับแง่ายดารินอุทานออกมาดังๆลืมตากว้าง จะสงสัยเลยครับนายหญิงแงใสายอ่านและแปลความออกมาได้ดังนี้ความซึ่งล่ามผู้เคยแปลผู้กองมาก่อนแล้วไม่ได้แปลไว้ด้วยดังนั้นการที่ผู้กองจะใช้วิธีย่นระยะทางโดยเลยผ่านที่หมายซึ่งระบุไว้ในลายแทงไปแม้แต่แห่งเดียวที่ลายแทงระบุไว้เส้นทางจะผิดทันทีเพราะในลายแทงฉบับนี้ที่หมายแห่งหนึ่งจะชี้โยงบอกไป อย่างที่หมายอีกแห่งหนึ่งตามลำดับไปชนิดที่จะผ่านข้ามไปจะไม่ได้ถ้าทิ้งที่หมายใดที่หมายหนึ่งไปที่หมายอันดับต่อๆไปจะพลาดค้นไม่พบถ้าไม่ถึงหลุมอุกาบาตที่หนึ่งจะค้นไม่พบหลุมที่สองและถ้าไม่พบหลุมที่สองก็จะไม่พบหลุมที่สามเมื่อไม่พบหลุมที่สาม ก็จะมองไม่เห็นทิวเขาที่เป็นรูปพญาครุตกลางปีกและแม้แต่จะเห็นรูปครุตกลางปีกหันปลายจงอยปากชี้เส้นทางให้แล้วก็ตามการเดินยังต้องรักษาเส้นทางเพื่อหเหลียวกลับมาเห็นเบื้องหลังเป็นรูปครุตอยู่ตามเดิมเมื่อนั้นอีกสามวันจึงจะถึงเนินพระจันทร์พินไัยวันบัตรนี้พูดอะไรไม่ออกยกมือทั้งสองขึ้นรูปใบหน้าแล้วกุมขมับ นิ่งไปพักใหญ่ระหว่างนี้เชิดถาชายันและดารินซุบซิบหาหรือกันเองด้วยท่าทีอันตื่นงงไปหมดระพินคุณมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับที่แง่า ย, ายบอกมานี่ในที่สุดเชิดถาก็สะกิดไล่ถามเขาจอมพรานถอนใจฮือ ลายแทงฉบับนี้แทบจะหาประโยชน์อะไรให้เราไม่ได้เลยครับนอกจากจะหลอกให้เราไปตายถ้าหากว่าไม่มีแง่ทายมาร่วมในคณะของเรานี่และเป็นผู้แปลข้อความออกมาได้โดยละเอียดไอ้ล่ามพม่าขี้เมาของผมนะี่มันหลอกกินเหล้าแล้วก็แปลข้อความมาให้ตกๆลนๆซึ่งผมไม่มีโอกาสรู้เลยแล้วเขาก็โคลงศีรษะอยู่ไปมาขอบใจมากนะแง่ทายที่แกให้ความจริงซะก่อนที่จะสาย ผู้กองครับผมจะปล่อยให้สายไม่ได้หรอกระยะเวลาของเราจํากัดตายตัวอยู่แล้วผมในใจหายเมื่อได้ยินผู้กองบอกกับเจ้านายว่าจะหาทางย่นระยะเวลาผ่านหลุมุกกาบาดเหล่านี้ชะเดี๋ยตัดตรงเข้าหาทิวปีครุตเลยทั้งที่ผู้กองก็ไม่ทราบความที่ระบุไว้อย่างละเอียดในลายแทงว่าทิวปีครุตนะ่ะหมายถึงอะไรและอยู่ในตําแหน่งไหนจึงจะแลเห็นเป็นรูปเปีครุต โชคดีหรือเกินนรพินโชคดีที่คุณเรียกแง่ทรายมาให้ดูลายแทงต้นฉบับในคืนนี้ก่อนที่จะตัดสินใจเช่นไรลงไปรพินพูดอะไรไม่ออกในขณะนั้นแต่แต่สั่นหัวอยู่ดิกๆสบัดอะไรพึมพำฟังไม่ได้สับในลำคอชะยันหัวรอหึหึในลำคอให้ตายหาถัว่าแง่ทรา ย, ายฉันว่าตลอดทั้งโลกนี้คงจะหามนุษย์เลลึก โกดเหลี่ยมล้านคมอย่างแกไม่ได้อีกแล้วหรอวะวินาทีสุดท้ายทุกครั้งก่อนที่แกจะยอมปริปากให้ประโยชน์อะไรออกมานี่นี่ทไมใช่ความต้องการของแกเองที่จะไปให้ถึงเนินพระจันทร์ทันเวลาแล้วก็แกคงปล่อยผู้กองงมต่อไปสินะทั้งๆที่แกรู้อะไรดีที่สุดอยู่แล้วไปไปมามาคนที่สามารถอ่านลายแทงให้โปร่งดีที่สุดคือแกนั่นเองหาใช่ผู้กองไห่ แต่แกก็ปล่อยเขาดิน้นจนสุดริบสุดปัญญาซะก่อนเพราะเห็นว่าจะไปไม่รอดจึงค่อยแย้มออกมาอีแบบนี้ถึงจะรักกันแค่ไหนก็สมควรอยู่หรอกที่เขาคิดอยากแกระทึบแกอยู่วันละสามเวลาถ้างั้นก็เอาซะอีกสักฉากมังเป็นรางวันเป็นไงดารินง้างมือขึ้นแต่ระพินคว้าข้อมือไว้ซะก่อนเป็นความผิดของผมเองครับคุณหญิง ที่ไม่เคยเอาลายแทงต้นฉบับที่แท้จริงมาให้แง่ทรายดูหรือปรึกษาหาเรืออะไรด้วยผมไม่คิดมาก่อนเลยครับว่าแง่ทรายจะอ่านภาษาพมา่าโบราณได้ดีสักว่าไอ้กล้ามจอมกะล่อนของผมซะอีกก็ขอพูดไว้นะที่นี้เลยว่าคณะของคุณชายจัดว่าโชคดีที่สุดแล้วล่ะครับในการที่ยอมรับสมัครให้แง่ทรายติดตามมาด้วยนี่นี่ทําไมมีแง่ทราย ลำพังผมคนเดียวก็เห็นจะหมดท่ า, าในเส้นทางระยะสุดท้ายซะเป็นแน่เพราะคําแปลที่บกพร่องตกหลน่นทิ้งข้อความเดิมซะทั้งกระบีแบบนี้ไงทายว่าแต่แกแน่ใจเหรอว่าแกอ่านและแปลได้ถูกต้องเชฐ่าขาดคันครับในายใหญ่ผมแน่ใจว่าผมอ่านและแปลได้ถูกต้องแน่นอนครับ แต่มันจะเป็นความจริงได้แค่ไหนก็ยังไม่อาจรับรองได้นะครับและอยากจะพิสูจน์ให้เห็นชัดเช่นกันเราไปให้ถึงหลุมอุกาบาดหลุมที่สามแล้วดูไปที่เทือกเขาตามที่ลายแทงบอกไว้ว่าจะเห็นเป็นรูปครุฑผงาดไปจริงหรือไม่แต่เท่าที่ปรากฏมาแล้วน่ะลายแทงฉบับนี้ไม่เคยผิดความจริงออกไปเลยไม่ใช่เหรอผู้กอง ประโยคหลังแง่ทรายหันไปถามระพิน ผ, ผู้ซึ่งนิ่งเฉยอยู่มันก็น่าจะมีข้าวความจริงตามที่แง่ทรายพูดนะชาชยันเอยขึ้นถึงยังไงลายแทงมันก็เป็นสิ่งลึกลับคนละอย่างกับแผนที่อยู่แล้วแผนที่นะ่ะทำกันขึ้นด้วยหลักวิชาทางภูมิศาสตร์แท้จริงแต่ลายแทงนะ่ะทำขึ้นในลักษณะแบบนั่งเทียนของผู้กระทาเองคือเห็นอะไรในลักษณะไหนก็ทาไวเช่นนั้น ยิ่งถ้าภูมิประเทศเป็นความลี้ลับซึ่งค้นหาคำตอบแน่ชัดไม่ได้ผู้ทำลายแทงก็ย่อมจะทำไปตามสภาพของสายตาหรือความรู้สึกนึกคิดของเขาเท่าที่ประมวลขึ้นได้การเดินตามลายแทงฉบับนี้มาโดยตลอดเราจะเห็นได้ว่าระยะต้นๆเป็นแผนที่ทางภูมิศาสตร์แท้จริงแต่ระยะหลังนี่เมื่อเข้าสู่ภูมิประเทศลึกลับลายแทงก็เริ่มจะแสดงออก ในการบอกเส้นทางอย่างลึกลับตามลักษณะของภูมิประเทศไปด้วยเพราะฉะนั้นก็มีเหตุผลในข้อที่ว่าหากเรายังไปไม่ถึงหลุมอุกาบาทหลุมที่สามเราอาจมองไม่เห็นทิวเขารูปตัวครุฑผงาดปีกได้เลยมันเกี่ยวกับเหลี่ยมมุมประกอบกับทัศนวิสัยของสถานที่นั้นๆด้วยลงท้ายสุดเมื่อเราไปถึงเนินพระจันทร์แล้ว การชี้บอกของลายแทงก็ยังเป็นปริศนาที่เรามองภาพไม่เห็นในด้านของภูมิศาสตร์เลยซึ่งยังเป็นปัญหาหนักใจอยู่นี่แต่ไหนๆเราก็ทำตามคำสั่งของลายแทงมาโดยตลอดแล้วอย่าไปฝืนดีกว่ามาทดลองดูกันอีกครั้งหนึ่งสาวจุดหมายไปตามลำดับอย่าข้ามขั้นและดูซิว่าเมื่อถึงหลุมอุกาบาดหลุมที่สามเราจะมองเห็นทิวปีครุฑ เป็นตัวครุฑพังอาดปีกจริงหรือไม่เอางั้นเหรอผู้กองท่านหัวหน้าคณะอย่างความคิดอ่านของพรานนำทางระพินไทรวันพับปลายแทงเก็บอย่างแช่มช้าครับไม่มีทางเลือกอื่นใดที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วละครับ